ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันแสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังคะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมะแปลเรื่องที่สิบแปดการิกะวินิชยกถากถาวินิชัยว่าด้วยเรื่องการิกต่อ บรรดาจำพวกน้ำมันจะว่าถึงน้ำมันงาก่อนที่รับประเค็นก่อนฉันแม้เจืออมิตรย่อมควรในเวลาก่อนฉันก็คือในปุเรพัทตั้งแต่หลังฉันไปหลังจากปัจฉาพัทไปปราจากอามิตรเท่านั้นจึงควรปุเรพัทก็คือก่อนเที่ยงปัจฉาพัทคือหลังเที่ยงไปแล้วผู้ศึกษาจึิงทราบว่า ที่น้ำมันงาหนนเป็นนิสสกีด้วยจํานวนภาชนะเพราะล่วงเจ็ดวันไปน้ํามันงานที่รับประเคนภายหลังฉันก็คือในปัจฉภัทปราศจากอามิต h เท่านั้นจึงควรตลอดเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันนี้ก็ต้องอบัตินิสสกิยะปจิตตีจะหลงลืมไว้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกินเจ็ดวันนี้ก็ต้องไปสละก่อนแล้วก็แสดงอบัติจะดื่มกินน้ํามันงานที่เป็นอุกหิต เก็บไว้ก็ไม่ควรถึงกันควรน้อมเข้าไปในกิจมีการทาสีสากเป็นต้นถ้าเกิดไปจับน้ำมันงานนั้นกอนโดยที่ยังไม่ได้รับประเคนจะมาฉันไม่ได้แลแต่ว่าเก็บเอาไว้ใช้ในภายนอกทาสีษะนั้นได้อยู่ก่อนเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบักน้ำมันที่พิสูจน์รับประเคนเมล็ดงาในเวลาปุเรพัคือก่อนฉันแล้วก็ทา เจื อ, อามิตรย่อมควรในเวลาปุเรพัทคือก่อนฉันนั่นเหมือนกันตั้งแต่ปัจฉาภัทไปเป็นของไม่ควรเกลื่นกินเพราะว่าทําทั้งวัตถุนะก็ เ, ะเอาเมล็ดงามาแล้วก็มาทําฉันได้ก่อนพัทเท่านั้นก็คือปุเรพัทปัจฉาภัทไม่ควรเกลื่นกินพึงน้องเปรกิจมีการทานทิะเป็นต้นแม้ในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัติเพราะว่าไม่ได้เอาไว้ฉันแล้ว น้ำมันที่พิสูจน์รับประเคีนเมล็ดงาในเวลาปัจฉาภัดแล้วทำเป็นของไม่ควรเกลืนกินเหมือนกันคือถ้ามาทำเองเนี่นะรับเมล็ดงาแล้วมาทำปัจฉาภัดหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยเอามาฉันอีกไม่ได้เพราะว่ารับประเคีนทั้งวัตถุ ก, ก็คือตัวเมล็ดงา น, นั้นน่ะแม้ในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัตดเพราะว่าไม่ได้เอาไว้ฉันพึงน้อมเข้าไปในกิจมีการทานศีรษะเป็นต้น แม้ในน้ํามันที่ทําด้วยเมล็ดงาที่พิสูจน์จับต้องในเวลาปุเรพัทหรือว่าในเวลาปัชชาพัทก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือไปจับต้องก่อนนี่ว่าก่อนฉันหลังฉันเอามาบริโภคอามาชั์ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเอาไปทําเป็นน้ํามันก็ไว้ทานศีรษะได้เกินเจ็วันก็ไม่เป็นอาบัตด้วยน้ํามันที่คั่วเมล็ดงาซึ่งพิสูจน์ ร, รับประเคินในเวลาปุเรพัทแล้วนึ่งแป้งงาหรือให้ชุ่มด้วย น้ำอุ่นธรรมถ้าอนุสัมบัณธรรมแม้เจืออามิตรย่อมควรในปุเรพัตที่ตนทาเองเพราะว่าปล่อนวัตถุออกแล้วไม่มีอมิตรเลยจึงควรในเวลาปุเรพัทก็คือฉันได้ในเวลาปุเรพัทเพราะว่าเป็นน้ามันที่เจียวเองเจืออามิตรจึงไม่ควรไม่ควรฉันกับอามิตรก็เพราะเป็นของที่รับประเคนพร้อมทั้งวัตถุ ก็คือตัวงานั่นเองตัวมเมล็ดงาเป็นวัตถุแม้ทั้งสองอย่างจึงไม่ควรกลืนกินตั้งแต่ปัจฉาภัดไปก็คือที่สมณีธรรมก็แล้วแต่หรือว่าที่ตนเองทํำก็แล้วแต่นะเพราะว่ารับประเคตทั้งวัตถุมาหลังพัดไตก็ไม่ควรกลื่นกินพึงน้อมเข้าไปในการทานศีรษะเป็นต้นแม้ในเมื่อร่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบดัตแต่ถ้าว่าน้ําอุ่นมีน้อย น้ำนั้นเพียงแต่ว่าพรมลงเท่านั้นก็เป็นอภูหาริกย่อมไม่ถึงการนับว่าเป็นสามะประกะคือไม่ได้ทําให้สุกเองถ้าน้ําร้อนมากไปทําให้สุกฉันก็ไปมีอบัติทุกดกเพราะว่าสามะประกะเป็นการทําให้สุกแม้ในน้ํามันมเมล็ดพันธุ์กาดเป็นต้นที่พิสูจไม่ได้รับประเคนพร้อมทั้งวัตถุก็มีวิธีใช้เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในน้ํามันงาที่ไม่มีวัตถุนั่นแหล ก็คือถ้าไปรับประเขนพร้อมทั้งวัตถุมาทำเองอันนี้ก็ไม่ควรในปัจชาพัทถ้าก่อนชันนี่คือปุเรพัก็ไม่เจืออมิตรเลยถ้าทำเองก็ถ้าว่าพิกตุอาจทาน้ามันจากผลแห่งมะเร็ดพันปกาดเป็นต้นที่รับประเขนไว้ในปุเรพัทโดยเจียวด้วยแสงแดดน้ำมันนั้นแม้เจือด้วยอมิตรย่อมควรในปุเรพัต คืออย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าการทําให้สุกเลยนะเพราะว่าอาิเจียวด้วยแสงแดดเนี่ยให้น้ามันไหลออกมาจากมัได้ทาประกาศนั้นก็ฉันเกอ่ อ, อมิตรได้แต่หลังฉันไปไม่เจี่ยว อ, อมิตรเลยจึงควรก็คือในปัจฉาภัณฑนี่จะมาฉันร่วมกับอมิตรคืออาหารไม่ได้ในเมื่อร่วงเจ็ดวันไปเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นนิสกีตเพราะว่าเก็บไว้ฉันแต่ว่าต้องผลักจากอามิตรอันหนึ่งเพราะที่สุดทั้งหลาย นึ่งผลเมล็ดพันธุ์ปาดและมาสร้างเป็นต้นและคั่วเมล็ดละหุงแล้วกระทาน้ํามันอย่างนี้ฉะนั้นน้ํามันของพิสุเหล่านั้นที่พวกอนุสัมบันญทัมแม้จืออามิตรก็ควรในเวลาปุเรพัทถ้านุสัมบัญทัมเกี่ยวพวกเมล็ดพันธระกาดมาสร้างคั่วเมล็ดละหุงทําน้ํามันอนุสัมบัญทัมฉันผสมกับอาหารได้ในเวลาปุเรพัท ก็เพราะวัตถุเป็นยาวะชีวิตจึงไม่มีโทษตัววัตถุนั้นเป็นยาวะชีวิตเลตพันธากาวกระดีมะซางเลตกระหงุงนี้เป็นยาวะชีวิตเพราะฉะ น, นั้นเอามาคั่วแล้วนุกสบัตธรรมเนี่ยเจอมิตรควรในปุรยพัฒในการรับประเคนพร้อมทั้งวัตถุชนิดแลไม่มีโทษแม้รับประเคนพร้อมทั้งวัตถุแต่ว่าถ้าเป็นพวกงาก็าเป็นพวกงาพวกนี้เป็นอาหารเพราะฉะนั้นถ้ารับประเคนทั้งวัตถุ แล้วมาทำเป็นน้ำมันจะไปฉันเจือกอมิตรนั้นไม่ควรแล้วก็ปัสชาภัดไปก็ไม่ควรฉันแล้วด้วยถ้าตัวเองทำน้ำมันเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นต้นที่ตนทำเองพึงบริโภคโดยการบริโภคปราศจากอมิตรอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันก็คือการเป็นเภสัชไปน้ำมันที่ทำด้วยเมล็ดพันธุ์ผกกาดเป็นต้นที่เป็นอุกหิตไม่ควรเกลืนกินเลย ควรแต่ใช้อสอนในภายนอกมีทศีรษะเป็นต้นแม้เมื่อล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่ได้เป็นอบัตเพราะว่าไม่ได้เอาไว้ฉันน้ำมันที่พิสูจน์รับประเคนเมล็ดพันธุ์ผักกาศมะสร้างและละหุงเพื่อต้องการจะทําน้ํามันแล้วทําในวันนั้นนั่นเองเป็นสัตตาหาการฤิกด้วยเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันร่วงเจ็ดวันไปก็ต้องอบัตทําในวันรุ่งขึ้นควรบริโภคได้หกวันทําในวันที่สามควรบริโภคได้ห้าวัน แต่ทำในวันที่สี่ควรบริโภคสามวันทำในวันที่ห้าก็เหลือแค่สองวันเท่านั้นทำในวันที่หกก็ควรบริโภคได้หนึ่งวันถ้าทำในวันที่เจ็ดนั้นควรในวันนั้นเท่านั้นถ้ายังคงอยู่จนถึงอารุณ์ขึ้นเป็นนิสกีที่ทำในวันที่แปดไม่ควรกลืนกินเลยแต่ควรใช้ซอยในภายนอกเพราะว่าเป็นของยังไม่สลลดยังไม่ได้สลละนั้นก็เอามาใช้ได้ในภายนอกเท่านั้น แม้ถ้าว่าไม่ทำในเมื่อเมล็ดพันธุ์ากาศเป็นต้นที่รับไว้เพื่อประโยชน์แก่น้ำมันล่วงการเจ็ดวันไปก็เป็นทุกกฎอย่างเดียวเป็นทุกกฎว่าไม่ได้เก็บไว้ฉันแล้วล้วก็เก็บไปเกินเจ็ดวันด้วยอันหนึ่งน้ำมันผล ม, พลมะพร้าวเมล็ดสะตล์สคลอและเหี่ยวและจํารงเป็นต้นแม้เหล่าอื่นที่ไม่ได้มาในพระบาลีก็ยังมี เมื่อพิสูจรับประเคนน้ำมันเหล่านั้นแล้วให้ล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกกฎในมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้มีความแปลกกันดังนี้พึงกำหนดวัตถุแห่งยาวากาลิสและวัตถุแห่งยาวาชีวิตที่เหลือแล้วทราบวิธีการแห่งสามะประกะคือให้ตกเองสาวัตถุก็คือของที่รับทั้งวัตถุของที่รับประเคนในเวลาก่อนฉันคือในปุเรพัฒ รับประเทนในเวลาปัชชาระคือหลังฉันและอุกหิตวัตถุของที่ยังไม่ได้รับประเคนและพิกษุไปจับต้องทั้งหมดตามในดังกล่าวแล้วนั่นแหล่น้ำมันแห่งเปลวสัตว์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนพิจิตทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตเปลวมันห้าชนิดคือเปลวหมีเปลวปลาเปลวปลาฉลามเปลวตุกรเปลวลา ชื่อว่าน้ํามันเปลวบรรดาเปลวมันห้าชนิดนี้ด้วยคําว่าเปลวหมีถ้าผู้มีพระพักตเจ้าทรงอนุญาตเปลวมันแห่งสัตว์ที่มีมังสะเป็นอกกบิยะทั้งหมดเลยเมื่ออนุญาตเปลวหมีแล้วก็เปลวของสัตว์ร้ายต่างๆก็ใช้ได้หมดแต่ว่าเว้นเปลวมันแห่งมนุษย์เสียเพราะว่ามันน่าเกลียดแล้วก็เป็นของมนุษย์ด้วยกันนี้ก็ไม่ควรกับการที่จะนํามาบริโภค อันหนึ่งแม้ปลาฉดามก็เป็นอันพระองค์ทรงถือเอาแล้วด้วยศัพท์ว่าปลาแต่เพราะว่าปลาฉดามเป็นปลาร้ายพระองค์จึงตรัสแยกไว้ต่างหากก็ในบาลีนั่นพระองค์ทรงอนุญาตเปรียนมันแห่งพวกสัตว์มีมังสาเป็นกัปปิยะแม้ทุกชนิดด้วยศัพท์ว่าปลาเป็นต้นจึงอยู่ในจำพวกมังสามังสาแห่งมนุษย์ช้างมา้าสุนัขงู สีหะเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสิบชนิดนี้เป็นอคติยะบรรดาเปลวมันเปลวมันแห่งมนุษย์อย่างเดียวเป็นอคติยะเพราะฉะนั้นแยกกันก็คือถ้าเป็นเนื้อเนื้อทั้งสิบชนิดเลยไม่ควรที่จะบริโภคเป็นอคติยะมังสวส่วนถ้าเปลวมันนี่พวกเปลวมันของสัตว์ร้ายอื่นๆหรือว่าอคติยะมังสวที่ เป็นพวกช้างม้าสุนัขเสือโลร่งเสือเหลืองต่างๆเหล่านี้นี่ถ้าเป็นเปลวมันนี่อนุญาตให้ฉันได้ยกเว้นเปลวมันมนุษย์อย่างเดียวที่เป็นอันตรายชื่อว่าสิ่งที่ไม่ควรในนมสดเป็นต้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นนมสดของมนุษย์นมสดของสัตว์ ร, ร้ายต่างๆนี่ก็ฉันได้หมดน้ํามันเปลวที่พวกอนุสัมบัญทำและกรองแล้วที่สุรับประเคณก่อนฉันคือในปุเริพัฒเนี่ย แม้เจืออามิตสก็ควรในบุเรพัทนั้นตั้งแต่ปัจฉาพัฒไปไม่ชื่ออามิตสเลยจึงควรตลอดเจ็ดวันถ้าเกิดเอาไปเจือกับอามิตสก็คือได้อาหารมาแล้วก็ไปผสมกลายเป็นสันนิธิไปเลยมุขะสันนิธิก็เป็นอวบัติพยติวัตถุใดที่คล้ายกับทุลีอันละเอียดเป็นมังสะกดีก็คือเป็นเนื้อที่ติดอยู่เป็นเอ็นหรือว่ากระดูกหรือว่าเลือดกรดีที่ปนอยู่ในเปลือกมันนั้น วัตถุนั้นก็จัดเป็นอภโภหาริกก็คือเอาไปเจียวได้ไม่ตายน์ก็ถ้าว่าพิษุรับประเคนเปลวมันกระทำน้ำมันเองรับประเคณแล้วเจียวกรองเสร็จในเวลาก่อนฉันคือในปุรพัทเนี่ยพึงบริโภคโดยปราศจากอามิ t h ตลอดเจ็ดวันคือถ้าเจียวเองเลยนะแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงการบริโภคปราศจากอามิ t จึงตรัสพรดํารันนี้ว่า รับประเค้นในการเจียวเสร็จในการกรองในการเราริุญาตเพื่อบริโภคอย่างบริโภคน้ํามันคือต้องทําก่อนเที่ยงต้องไม่เลยเที่ยงมังสะที่ละเอียดเป็นต้นแม้ในน้ํามันที่รับประเค้นเปรียวมันแล้วเจียวกรองนั้นก็เป็นอภพูฮาิกเหมือนกันคือมันละเอียดไม่เห็นเป็นชิ้นเนื้อ แต่จะรับประเคนหรือว่าเจียวในเวลาหลังฉันคือในปัจฉภัทไม่ควรเลยจะรับประเคนก็ไม่ควรเปลวมันต่างๆหลังเที่ยงไปแล้วไม่ควรรับประเคนไม่ควรเจียวสมจริงดังพระดํำรัสที่พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสไว้นี้ว่าดูก่อรพิจุตทั้งหลายถ้าพิกจุรับประเคนเปลวมันในเวลาวิการคือหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยเจียวในเวลาวิการกลองในเวลาวิการ ถ้าพิสูจ์บริธโภคซึ่งน้ำมันนั้นต้องทุกกฎสามตัวเลยก็คือรับประเคนวัตถุเปลวมันในเวลาวิการหรือว่าเจียวในวิการกรองในวิการก็ต้องอับสามตัวที่สุดทั้งหลายถ้าพิสูจน์รับประเคนเปลวมันในการนี่ก็ไม่มีอบัตบเจียวในวิการมีอบัตบทุกกฎกลองในวิการก็บัตทุ ก, กฎถ้าบริธโภคน้ำมันนั้นต้องทุกกฎสองตัว พิสูจทั้งหลายถ้าพิสูจรับประเคนในการไม่ต้องอาบัตเจียวในการก็ไม่ต้องอาบัตกลองในวิการไม่ต้องอาบัตทุกกฎถ้าบริภโภคน้ํามันนั้นต้องทุกกฎตัวเดียวพิสูจนทั้งหลายถ้าเปลวมันที่สูตรรับประเคนในการเจียวในการกลองในการถ้าพิสูจบริภโภคน้ํามันนั้นไม่เป็นอาบัตทางนี้ก็คือจะเป็นอาบัตต่อเมื่อได้บริภโภคถ้ารับ ในวิการเจียวในวิการแล้วก็กรองในวิการแต่ว่าไม่ได้เอามาบริโภคไม่ได้เอามาฉั น, นอันนี้ก็ไม่มีอวบเอาไปใช้ในกิจภายนอกได้แต่ถ้าเป็นน้ํามันเปลวที่พวกอนุสับันญทำแล้วก็กรองเนยนะที่ส่วนรับประกฑ์ในปุเรพัทก่อนฉันฉันเจียกับอมิตย์ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหลังคือปัจฉาภัฒน์ไปแล้วเนี่ยต้องไม่เจียวอมิตรฉันได้เจ็ดวันบริโภคแบบน้ํามันไป แต่พวกอันเตวาสิกถามพระอุปติสัทธีระว่าท่านขวรับเนยไสเนยข้นและเปลวมันที่พิสุจียวรวมกันแล้วเกลื่อออกควรหรือไม่ควรพรับก็คือกรองกันดีเลยนะพระเถระตอบว่าไม่ควรอวุโสได้ยินว่าพระเถระรังเกียจในเนยใสเนยข้นเปลวมันที่พิสุจียวรวมกันแล้วก็เกลื่ออกนี้ ดูดในกากน้ำมันงาที่เจียวแล้วภายหลังพวกอันเตวสิกถามท่านหนักขึ้นว่าท่านขอรับก้อนนมส้มก็ดียาดเปลี่ยนก็ดีมีอยู่ในเน่ยคน้น่วยคนนั้นควรไหมขอรับพระเถระตอบว่าผู้มีอายุแม้เนยคนนั้นก็ไม่ควรลําดับนั้นพวกอันเตวสิกจึงถามท่านว่าท่านขอรับน้ํามันที่เจียวรวมกันแล้วก็กรองแล้ว มีความร้อนสูงย่อมบำบัดโรคได้พระเถระจึงยอมรับว่าดีละอาวโุโสดังนี้ยอมรับนะเพราะว่ามันได้ประโยชน์จริงๆสมัยก่อนไม่ได้มียาทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นรา ป, ป่วยไข้ต่างๆไม่มีแรงเป็น้อมเหลืองก็ฉันพวกน้ำมันเนยสายในค้นเหล่านี้แหละแต่พระมหาสุมาถเถระกล่าวไว้ว่าเปลวมันของสัตว์ที่มีมังสะเป็นกับิยะเท่านั้น ย่อมควรในการบริโภคเจืออามิตรเปลีวมันของพวกสัตว์ที่มีมังสวัติเป็นอากาศยะนอกนี้ควรในการบริโภคปราศจากอามิตรอันนี้พระมหาสมุทรเถระกล่าวนะฝ่ายพระมหาปทุมมเถระห้ามว่านี้อะไรกันแล้วกล่าวว่าพวกทิ่สุอาพาดด้วยโรคลมเติมน้ำมันเปลวหมีและสุกรเป็นต้นลงในข้าวยาคูที่ต้มด้วยน้ำฝาดรากไม้ห้าชนิด แล้วดื่มข้าวยาคูข้าวยาคูนั้นบำบัดโรคได้เพราะว่ามีความร้อนสูงดังนี้จึงกล่าวว่าสมควรอันนี้ก็ความเห็นต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าพระมหาสุตุมะเทระเนี่กล่าวว่าเปลวมันของสัตว์ที่มีมังสวัตว์เป็นกับิยะเท่านั้นจึงควรบริโภคชื่ออามิตรแต่ถ้าเปลวมันของพวกสัตว์ที่มีมังสัติเป็นอกับิยะนี้ไม่ควรเชื่ออามิตรแต่มาพระมหาปุตุ ม, มะก็บอกว่า มันผสมกันแล้วก็มันมีความร้อนสูงควรรักษาโรคได้เติมน้ํามันเปลืหมีและน้ํามันสุกรนลงไปข้ายาคูนชันแล้วก็ทําให้หายโรคได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าสมควรพระมหาสุมเถระนี่ศึกษาพระวินัยมีเ้ารอบเรียนจากอาจารย์เก้ารอบส่วนพระมหาปทุมเถระนี่ก็เรียนจากอาจารย์เก้ารอบแล้วก็มาเรียนอีกครั้งหนึ่งเรียนด้วยกันกับพระมหาสุมาเนี่ย ต่อหลังก็มาเรียนอีกครั้งหนึ่งปราเก้ารอบก็เป็นสิบแปดรอบน้ำหวานที่พวกพึ่งใหญ่พึ่งเล็กและจะพวกมแมลงผู้ซึ่งมีชื่อว่ามแมลงทําน้ําหวานก็คือทําน้ําพึ่งเนี่ยทําแล้วชื่อว่าน้ําพึ่งน้ําพึ่งนั้นที่สัวรับประเคนก่อนฉันแม้จะบริโภคเชื้ออามิตรในเวลาก่อนฉันคือในปุรีพัทก็ควร ตั้งแต่ปัชชาพัดไปควรบริโภคจากอามิตรอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปนั้นเป็นนิสักีเพราะฉะนั้นก็มีสติมากเลยในการที่จะจดจำหรือว่าจดเอาไว้ว่ารับเกณฑวันไหนแล้วก็สิ้นไปวันไหนถ้าน้ำผึ้งชนิดหนามากเป็นเช่นกับยางคือเคี่ยวให้แข่นทาเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เก็บไว้หรือน้าผึ้งชนิดบางนอกนี้เก็บไว้ในภาชนะต่างๆกัน เป็นนิสสกีมากตามจํานวนวัตถุถ้ามีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นหรือน้ําผึ้งบางนอกนี้ก็เก็บรวมไว้ในภานชนะเดียวเป็นนิสสกีเพียงตัวเดียวน้ํำผึ้งที่เป็นอุกเหตุปึงซ่าตามนายที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็คือไม่ควรนำมาฉันจะเอามาใช้ภายนอกได้พึ่งน้องไปในกิจอื่นมีทาแผลเป็นต้นน้ำผึ้งนีใช้ทาแผลก็ได้นะรังผึ้งหรือขี้ผึ้งถ้าน้ํำผึ้งไม่ติด บริสุทธิ์เป็นยาวชีวิตฉันได้ตลอดแต่แกโรคภายในนี้ต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ที่มีน้ำผึ้งติดอยู่มีคติอย่างน้ำผึ้งเหมือนกันคือฉันได้เจ็ดวันมแมลงผึ้งตัวยาวมีปีกชื่อว่าชีริกะมแมลงผู้ใหญ่ตัวดำมีปีกแข็งมีชื่อว่าตุมพละในรังของมแมลงผึ้งเหล่านั้นมีน้ำผึ้งคล้ายกับยางน้ำผึ้งนั้นเป็นยาวชีวิตนกะ ก็ฉันได้ตลอดส่วนน้ำอ้อยชนิดที่ยังไม่ได้เคี่ยวหรือที่เคี่ยวแล้วไม่มีกากหรือที่ไม่มีกากแม้ทั้งหมดจนกระทั่งน้ำอ้อยสดชื่อว่าน้ำอ้อยตั้งแต่น้ำอ้อยปดที่คั้นมาจากต้นอ้อยนะจัวตั้งถึงที่เคี่ยวแล้วก็ดีที่ไม่มีกากเรียกว่าน้ำอ้อยหมดเลยน้ำอ้อยนั้นที่พิการรับประเคณก่อนฉัน คือในปุเรพัสเนี่ยแม้เจืออมิสก็ควรในเวลาปุเรพัสนั้นตั้งแต่ปัชชาพัสไปคือหลังเที่ยงไปเนี่ยไม่เจืออมิสเลยจึงควรตลอดเจ็ดวันในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปเป็นนิสกีตามจำนวนวัตถุก้อนน้ำอ้อยแม้มากพิสุย่อยให้แหลกแล้วใส่ไว้ในภาชนะเดียวกันย่อมจับรวมกันแน่นเป็นนิสกีเพียงตัวเดียว น้ำอ้อยที่เป็นอุกหิตพึงสร้างตำนานที่เปล่าแล้วนั่นแหละก็คือไม่ควรจะนำมาชันแล้วแต่เก็บไว้ใช้ภายนอกได้พึงน้อมเข้าไปในกิจอื่นมีการอบเรือนเป็นต้นน้ำอ้อยที่เขาทำด้วยอ้อยสดที่ยังไม่ได้กรองซึ่งพิสุรับประเคนไว้ในเวลาปุเรพัทถ้าอนุสัมบัญทมแม้เจืออมิตรก็ควรถ้าพิสุทำเองไม่เจืออมิตรเลยจึงควร ก็จําเดิมแต่ปัจฉาภัดไปไม่ควรกลืนกินพระภิกษุจะมกลองเองหลังเที่ยงนี่ไม่ควรฉันแต่ถ้าอนุสัมบัญท์ทก่อนเที่ยงฉันเจืออมิตรก็ได้หลังเที่ยงฉันโดยที่ไม่มีอมิตรได้เหมือนกันนะที่พระภิกษุไม่ควรฉันหลังเที่ยงไปนี่นะเพราะว่าเป็นของที่รับประเกทานทั้งวัตถุก็คือยังไม่ได้กลองนี่นะมีกากมีอะไรอยู่เนี่ย มันเรียกว่าเป็นวัตถุแม้เมื่อร่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้เก็บ ไ, ไว้ฉันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพระสุ ก, กลองก็ต้องกรองก่อนเที่ยงแล้วก็ฉันก่อนเที่ยงในบริพัตถ้าหลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่ควรฉันแม้ที่เขาทำด้วยน้ําอ้อยสดที่ภิกษุ ร, รับประเคนทั้งที่ยังไม่ได้กรองในเวลาหลังฉันคือปัจฉภัก็ไม่ควรกลืนกินเหมือนกัน ก็แสดงไว้แล้วนะว่าแม้ที่เขาทําด้วยน้ําอ้อยสดที่พิกษจนรับประเคนทั้งที่ยังไม่ได้กรองเนี่ยก็คื อ, อยังมีกากอยู่เนนะในเวลาปัจชาภัชไม่ควรเกลืนกินเหมือนกันแม้ในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัติแม้ในน้ำอ้อยที่พิกษจนรับประเคนอ้อยลําทําก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือรับประเคนก่อนเที่ยงในปุเรพัฒทาแล้วฉันได้ในตุเรพัฒนั้นแต่มาหลังเที่ยงแล้ว เอามาทําคั้นเป็นน้ําอ้อยแล้วกลองแล้วฉันไม่ได้ใช้เป็นอย่างอื่นได้ก็น้ําอ้อยที่ทําด้วยน้ําอ้อยสดที่กลองและรับประเคหไว้ในเวลาปุเรพัทถ้าอนุส บ, บันทำแม้เจืออามเตธก็ควรในเวลาปุเรพัทนั้นตั้งแต่หลังฉันหรือว่าปัจฉพัทไปไม่เจืออามเตธเลยจึงควรตลอดเจดวันแต่ถ้าพระพิสุทําเองไม่เจืออามเตธเลย พาะิทุทธาเองไม่เจืออมิตรเลยย่อมควรแม้ในเวลาปุเรพัดจำเดิมแต่หลังฉันคือในปัจฉาภาตัตไปไม่เจืออมิตรเหมือนกันควรตลอดเจ็ดวันนี่หมายถึงพระพิสุทําำก่อนเที่ยงถ้าทำหลังเที่ยงนี้ไม่ควรแต่น้ําอ้อยทำด้วยน้ําอ้อยสดที่กรองและรับประเคตแล้วในเวลาหลังฉัน ปราศจากอามิตสเท่านั้นจึงควรตลอดเจ็ดวันน้ำอ้อยที่ทําด้วยน้ําอ้อยสดที่กรองแล้วนะกรองแล้วรับประเขนแล้วเอาน้ำอ้อยสดนั้นมาทําเป็นน้ําอ้อยที่กรองแล้วแล้วรับประเขนไว้แล้วด้วยถ้าทํำในเวลาปัชชาภัพปราศจากอามิตสเท่านั้นจึงควรเจ็ดวันอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้รับทั้งวัตถุ ก็คือกลองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้กลองนั้นนะชื่อว่ามีวัตถุเป็นการรับทั้งวัตถุเพราะฉะนั้นปัจฉาภัทจึงไม่ควรฉันฉันได้แต่ปุรยพัทเท่านั้นนี่ต้องมีสติจดจํามากเหมือนกันนะเพราะว่า ค, คล้ายๆกันน้ำอ้อยที่เป็นอุกเหตุมีดังกล่าวแล้วเหมือนกันก็คือไม่ควรเอาไปใช้ในกิจอื่นภายนอกได้ ในมหาอัตกถาท่านกล่าวว่าน้ำอ้อยที่ทำด้วยน้ำอ้อยเผาก็ดีน้ำอ้อยที่ทำด้วยน้ำอ้อยหีกก็ดีควรแต่ในเวลาปุเรพัทเท่านั้นส่วนในมหาปัจจรีท่านตั้งคำถามว่าน้ำอ้อยที่เคี้ยวทั้งวัตถุ ก, ก็คือกาบนี้เนี่ยควรหรือไม่ควรดังนี้แล้วก็กล่าวว่าน้ำอ้อยที่ทำด้วยน้ำอ้อยตดชื่อว่าไม่ควรในเวลาปัจฉาพัย่อมไม่มี ทำนั้นถูกแล้วคือน้ำอ้อยที่เคี่ยวทั้งวัตถุ ก, ก็คือกากเนี่ยควรไหมน้ำอ้อยทํ า, ทาด้วยน้ำจืดช่าไม่ควรในปัจจัปจภัณยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ควรแต่คนอื่นทำ น, นะแต่วัตถุ ก, ก็คือกากนี้เขาควรจะต้องกรองออกอกันถ้ามีกากแล้วน้ำมาฉันนี้ก็ต้องพิงจารณาดูน้ำอ้อยดอกมาสางที่เขาทำด้วยน้ำเย็น แม้เจืออมิรก็ควรในเวลาปุริพัทจาเดิมแต่ปัชชาพัทไปไม่เจืออมิสเลยจึงควรตลอดเจ็ดวันในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปก็เป็นทุกกดตามจำนวนวัตถุอันนี้ไม่ได้เป็นนิสสีเพราะอะไรเพราะว่าน้ำอ้อยนั้นเป็นน้ำอ้อยดอกมะซางไม่ใช่เป็นน้ำอ้อยที่ทำจากอ้อยแล้วก็ทำด้วยน้ำเย็นล่วงเจ็ดวันไปไม่เป็นอันัตุทุกเท่านั้น ส่วนน้ำอ้อยมะซานที่เขาเติมนมสดทําเป็นยาวะาการิเป็นอาหารไปแต่ชนทั้งหลายปักเอาฝ้าฟองนมสดออกแล้วแล้วก็ชําระขันตะกอนให้สะอาดก็คือพวกที่เป็นตะกอนต่างๆเพราะฉะนั้นขันตะกอนนั้นก็ควรฉันได้แต่ว่าในเมื่อมีนมสดลงไปแล้วก็เป็นอาหารก็ก่อนเที่ยงเท่านั้นส่วนดอกมะซางสดย่ำควรแม้ในเวลา เรพัดขั่วแล้วก็ควรขั้วแล้วตํำผสมด้วยของอื่นมีเมล็ดงาเป็นต้นหรือไม่ผสมก็ควรแต่ถ้าว่าชนทั้งหลายคือเอาเมาต็ดงนั้นประกอบเข้ากันปรุงเพื่อต้องการเมรยัยดอกมาต่างที่ปรุงแล้วนั้นย่อมไม่ควรตั้งแต่พืชจะทําทเป็นเมรัยนี่นก็ไม่เหมาะสมไม่ควรฉันแล้วน้ําอ้อยแห่งผลไม้ที่เป็นยาวะกค์าลิชทั้งหมด มีกล้วยผลอินทภารัมถั่วเป้งมะม่วงสาเกขนุนและมะขามเป็นต้นเป็นยาวะการนฤทธิ์จะมาเป็นอาหารเอามาทําเป็นน้ําตาลได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นอาหารหมดชนทั้งหลายทําน้ําอ้อยด้วยเพล็กซุบน้ําอ้อยนั้นเป็นยาวะชีวิตเป็นยานะเพล็กซุบนี้ก็มาทําเป็นน้ําอ้อยได้เหมือนกันเภษัรห้ามีเนยใสเป็นต้น มีการกำหนดช่วงเจ็ดวันตอนที่กล่าวแล้วอย่างนี้จะกระทำกิจแห่งเพสัสหรือไม่ก็ตามเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตไว้โดยชื่อแห่งเพศัสว่าดูก่อนที่จุดทั้งหลายเราอนุญาตเพศัสทั้งห้าดังนี้มีอาย่ได้เจ็ดวันเท่านั้นเทิ้งสูตรรับประเคนเพศัสแม้ที่สามารถแผ่ไปเพื่อสําเร็จอาหารกิจย่อมฉันได้ตามสบายในเวลาก่อนฉันคือในปริพัฒวันนั้น เมื่อมีเหตุหนะจึงฉันได้ก็คือรับประเข็นในวันนั้นก็ฉันเจืกอกามิตรได้ในปุรีพัทตั้งแต่ประชาพัทไปฉันได้ตลอดเจ็ดวันโดยปราศจากอมิตรโดยในดังกล่าวแล้วแต่เมื่อให้ร่วงเจ็ดวันไปเป็นนิสกิยปายิตตีด้วยเพสัตชะสิกขาบทถ้าเพาสัตนั้นมีประมาณาเท่ามาไดพันประกาศพอจะเอานิ้วแตะแล้วลิ้มด้วยลิ้นคราวเดียว อันพิสูจนจะต้องสลักแท้และพึงแสดงอาบัตปาสิตรีเม้กระทั่งนิดเดียวเนะี่ยเหลือนิดเดียวเท่าเม็ดพันประกาศต้นเอ็นเก็ตไม้เกินเจ็ดวันเนี่ยนะก็ต้องอาบัตินิสักิยปาจิตีพิสูจนได้ของที่สละไปแล้วคืนมาย่อมไม่ควรเกลืนกินก็คือต้องอาบัตนิสักิยปาิตีแล้วสลักไปแล้วเขาให้กลับคืนมานี้เอามา ก, กินไม่ได้เอามาคื่นกินไม่ได้ไม่พึงใช้่อยด้วย ด้วยการบริโภคที่เป็นไปทางกายจะมาทาแผลไม่ทาตัวทาหัวไม่ควรพิสุย่าพึงเอาทาร่างกายหรือว่าทาแผลที่ร่างกายแม้บริขารมีผ้าตาชาวะไม้เท้ารองเท้าเขียงเช็ดเท้าหรือว่าเตียงต่างเป็นต้นก็มาทาไม่ได้ถูกเพศัดที่เป็นนิสกี้วัตถุเหล่านั้นเปื้อนแล้วเป็นของไม่ควรใช้เอามาใช้ไม่ได้ แต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเจ็ดวันไม่เกินเจ็วันยังไม่มีอบัติแล้วพังสุสละก่อนสละไปแล้วเนี่นะถ้าเกิดผู้อนุสัมบัณฑ์เขานําเทศน์นั้นกลับมาถวายอีกก็ได้อีกเจ็ดวันเพราะว่ายังไม่ต้องอบัตนี้สักยปยิ ต, ยตีไม่ใช่เป็นของที่เป็นอัคกิยะไม่ใช่ของที่สละโดยที่ต้องอบัติแต่ยังไม่ต้องอบัตแล้วสละก่อนก็ก็มาถวายก็ฉันได้แต่ถ้าเกิดต้องอบัติแล้ว เกินเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยสละให้ไปแล้วก็เอากลับมานี่ฉันไม่ได้นะใช้ในวัตถุต่างๆทาแผลหรือว่าทาบริขารก็ไม่ได้ในมหาปัญจรีกล่าวว่าที่สำหรับมือจับแม้ในบานประตูและหน้าต่างก็ไม่ควรทาในมหาอราิยคถาได้กล่าวไว้ว่าแต่ผสมลงในน้ำฝาแล้วควรทาในประตูและหน้าต่างได้ ควรน้อมไปในการตามประทีปหรือว่าการลงรักผสมกับ น, น้ำป่าแล้วก็ไปใช้ในกิจภายนอกมีทางประตูหน้าตา่างตามประทีแต่พิจุรูปอื่นพึงใช้่อยด้วยการบริโภคที่เป็นไปทางกายได้แต่ไม่พึงกลื่นกินคือเพศท่าที่ล่วงเจ็ดวันไปแล้วต้องอบัติแล้วสนับไปแล้วแล้วก็ตรงอาบัตแล้วนี่นะวัตถุนั้นเนี่ยครับพิจุที่ต้องอาบัต้น ไม่ควรนํามาบริโภคไม่ควรมาใช้ฝั่งทางกายแต่ว่าาใช้ถ่าภายนอกก็ยังไม่ควรด้วยนะแต่ถ้าผสมน้ําปัสสาวะแล้วก็สามารถใช้ทาประตูหน้าต่างหรือตามประติได้แต่ถ้าเป็นพิสูรรูปอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องอาบัตหรือวเก็บเทตัดห้าเกินเจ็ดวันเอามาใช้ถ่ายบริโภคทางกายได้มาทาตัวทาแผลได้แต่ว่าไม่พึงเกลืนกินอันหนึ่งเพราะมีพระบาเรีอนุญาตไว้ว่า ไม่เป็นอาบัติแก่ทิสุผู้อธิษฐานภายในเจ็ดวันดังนี้ในภายในเจ็ดวันทิสุจะอธิษฐานเนยใส่น้ำมันและเปลวมันไว้เป็นน้ำมันทาสีตะหรือว่าน้ำมันสำหรับหยอดอธิษฐานน้ำพึ่งไว้เป็นยาทาแผลอธิษฐานน้ำอ้อยเป็นเครื่องอบเรือนไม่เป็นอาบัติไม่เป็นนิสตักขีแม้เกินเจ็ดวันก็คือพอถึงวันที่เจ็ดยังไม่ร่วงเจ็ดวันนี้ต้องอธิษฐานว่า พวกเฟรชัดห้าน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้เราไอฐานเอาไว้ไว้ใช้อย่างอื่นนะไว้ใช้เป็นน้ํามันหรือว่าทาแผลใช้เป็นของภายนอกอันนี้เกินเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นอบัตถ้าพิกูุประสงค์จะรินน้ํามันที่อธิษฐานเอาไว้แล้วเทลงในภาชนะใส่น้ํามันที่ยังไม่ได้อธิษฐานถ้าในภาชนะมีช่องแค่น้ํามันที่ค่อยๆไหลเข้าไป ถูกน้ำมันเก่าล้นขึ้นท่วมทับถึงอดิษฐานใหม่เพราะว่าน้ำมันเก่าเนี่ยยังไม่อดิษฐานน้มันใหม่ถูกน้ำมันเก่าท่วมทับมีแต่ไอถฐานใหม่ถ้าภาชนะปากกว้างน้ำมันมากไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วจนท่วมน้ำมันเก่าไม่มีกิจที่จะต้องอดิษฐานใหม่ถ้ารินน้ำมันที่อดิษฐานเอาไว้แล้วเนี่ยนะ เทลงในภาชนะใส่น้ํามันที่ยังไม่ได้อธิษฐานอันตาเข้าไปแล้วน้ํามันที่ยังไม่ได้ฐานเนี่ยมันถูกน้ํามันเก่าล้นขึ้นท่วมทับน้ํามันที่ยังไม่อธิษฐานเนี่ยมันท่วมทับต้องอธฐานใหม่แต่ถ้าน้ํามันที่อธิษฐานอยู่แล้วท่วมทับน้ํามันเก่าที่ยังไม่ได้อธิษฐานนี่ไม่มีกิจในการที่จะต้องอธิษฐานใหม่แท้จริงน้ํามันนั้นมีคติอย่างน้ํามันที่อธิษฐานแล้ว ผู้ศึกษาบึงทราบแม้การรินน้ำมันที่ไม่ได้อธิษฐานลงในภาชนะใส่น้ำมันที่อธิษฐานแล้วโดยในนี้ถ้าน้ำมันที่อยู่ข้างบนเป็นน้ำมาที่อธิษฐานแล้วไม่ต้องอธิษฐานใหม่แต่ถ้าน้ำมันที่ยังไม่ไอธิษฐานอยู่ข้างบนอันนี้ก็ต้องอธิษฐานใหม่ก็ท่าภิกษุสละเพศัด ท, ที่ล่วงเจ็ดวันให้แก่อนุสัมบัน าการบริโภคเภสัชที่อนุสบันนั้นกระทําให้เป็นของตนแล้วถวายอีกย่อมควรถ้าสามเณร น, นั้นปรุงแล้วหรือไม่ได้ปรุงถวายแก่ทิจุนั้นเพื่อกระทําการนัดท้าสนสามเณรเป็นผู้เเครไม่รู้เพื่อจัดถวายทิสุอื่นพึงบอกเธอว่าแน่สามเณรเธอมีน้ํามันหรือสามเณรตอบว่ามีครับท่านผู้เจริญทิสุนั้นพึงบอกกับเธอว่านํามาเถิด เราจัดทายาถวายแก่พระเถระน้ำมันนั้นย่อมควรแม้ด้วยถือเอาอย่างนี้ถ้าเพศสัตว์นั้นเป็นของสองเจ้าของที่สูตรูปหนึ่งรับประเคียนไว้ยังไม่ได้แบ่งกันในเมื่อล่วงเจ็ดวันไปไม่เป็นอาบัติแก่เธอทั้งสองรูปแต่ไม่ควรบริโภคถ้ารูปใดรับประเคียนไว้รูปนั้นกล่าวกับอีกรูปหนึ่งว่า ท่านผู้มีอายุน้ำมันนี้ถึงเจ็ดวันแล้วท่านจงบริโภคน้ำมันนั้นเสยะดังนี้และเธอก็ไม่ทำการบริโภคจะเป็นอาบัตแก่ใครไม่เป็นอาบัตแก่ใครทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ารูปที่รับประเคนก็สละแล้วและเพราะว่าอีกรูปหนึ่งก็ไม่ได้รับประเคนก็เลยไม่มีอาบัตทั้งสองท่านแต่ว่าถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วก็ไม่ควรที่จะบริโภคแต่ไม่เป็นอบัต แก่ใครทั้งสองรูปนี้เลยแล้วก็เพัตั์ที่ร่วเจ็ดวันนั้นน่ะให้แก่นุสสมบัตไปแล้วนะก็อนุสสมบัตินั้นทําให้เป็นของตนแล้วกลับมาถวายอีกนี้ก็ควรทำได้ในบรรดาการลิกสีเหล่านี้การลิกทั้งสองนี้คือยาวะการลิข ก, ก็คืออาหารยามาการลิข ก, ก็คือน้ําปณะนะ้าผลไม้เป็นอันตวุฒะคือเก็บไว้ในที่อยู่ถ้าเอาไปเก็บไว้ในที่อยู่เนี่ยนะ เป็นอันตุวทธตเอาปชันก็ต้องบัดทุกฏแล้วก็ทําสันนิธิด้วยเก็บไว้ก็วันรุ่งขึ้นเอามาฉันนี้ก็ต้องสันนิธิสะสมอาหารฉันก็ไปต้องบัดปฏิติเตเลยพิสูจจะเก็บสัตยาการิสและยาวะชีวิตในอาคติยาคุติควรอยู่คือไม่ทําให้ต้องเป็นอันตวุัไม่เป็นสันนิธิด้วยทั้งไม่ยังสันนิธิให้เกิดขึ้นด้วยจึงอยู่ยาวะการิสคืออาหาร ย่อมชักกาลิสทั้งสามียามะกาลิกเป็นต้นซึ่งมีรสเจือกับตนเข้าสู่สภาพของตนถ้าเอาสัตหกาลิกยามะกาลิกหรือว่ายาวชีวิตไปผสมกับอาหารก็กลายเป็นยาวะกาลิกไปหมดเลยเป็นอาหารไปหมดถึงยามะกาลิกก็ชักกาลิกแม้ทั้งสองมีสัตหากาลิกเป็นต้นเข้าสู่สภาพของตนถ้ายามากาลิสคือน้ำผลไม้ ผสมกับตาตาการลิกหรือว่ายาวชีวิตก็กลายเป็นเหลือวันเดียวเท่านั้นวันกับคืนหนึ่งสัตว์ตหาการลิกเล่าย่อมชักยาวชีวิตที่ระคนเท่ากับตนเข้าตู่สภาพของตนเหมือนกันพวกน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยนี่นะอยายุเจ็ดวันถ้าเอายาที่เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตมาผสมกับน้ํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยป้าเลยเหลือเจดวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบการกําหนดวันดังต่อไปนี้การลิกทั้งสามที่เหลือที่ระคน ที่เจือกับยาว่ากาลิทที่เป็นอาหารเนี่ยที่รับประเคในวันนั้นมีรถเจือกันย่อมควรในเวลาปุเรทัดในวันนั้นเท่านั้นนะก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไปก็ฉันไม่ได้แล้วกาลิททั้งสองนอก น, นี้ก็คือสัตต์อาหารกาลิทและยาวะชีวิตที่รกรกับยามะกาลิทคือน้ำผลไม้เนี่ ย, ท, ในในนนยที่รับประเคในวันนั้นย่อมควรจนถึงอารุณ์ขึ้นส่วนยาวะชีวิตที่รับประเคในวันนั้นหรือรับประเคในวันก่อน ระคนกับสัตตาการิกที่รับประเคณในวันนั้นย่อมควรตลอดเจ็ดวันก็คือเหลือเจ็วันยาวิชีวิตคือยานเพราะฉะนั้นสัตตาการิที่รับประเคณไว้แ ล, ล้วและยาวิชีวิะะตาาที่รับประเคณ ไ, ไว้ก่อนเอามาผสมกันเนี่ยฉันได้นะแต่ถ้าน้ําปะนะน้าผลไม้กับเอาสัตตาการกิที่รับประเคณไว้แล้วมาผสมนี่ไม่ได้กลายเป็นสันนิษที่ไป น, นะ ระคนสัตตาการิกที่รับประเคีนไว้สองวันย่ำควรตลอดหกวันกับสัตตากะริกที่รับประเคียนไว้สาวันย่ำควรตลอดห้าวันกับสัตตากะริกที่รับประเคีนไว้เจ็ดวันย่ำควรในวันนั้นเท่านั้นก็คือผสมกับยา น, นะ น, ยานี่นะก็ในเหตุเหล่านั้นเพงทราบว่าเป็นอาบัติเรื่องนาฏิการนาโภชนสิกขาบทในเพราะล่วงการสันนิทิสิกขาบทในเพราะล่วงยาม และเภสัชชากิขาบทในเพราะร่วงเจ็ดวันไปก็ถ้าการลิกังสี่ที่พิสุจน์รับประเคน ร, รวมกันมีรถไม่เจือกันจะฉันด้วยสามารถแห่งการของการลิกนั้นๆย่อมควรก็ถ้าปานะมีน้ำมะม่วงเป็นต้นเป็นของที่รับประเคนปนกับมะพร้าวทั้งผลยังไม่ได้ป อ, อกเปลือกเอามะพร้าวออกเสร็จแล้วน้ำปานะนั้นควรแม้ในเวลาวิการ ส่วนผลไม้คือผลมะพร้าวนั้นก็ควรเฉพาะในการนั้นแยกกันได้พวกทายกถวายข้าปายาดเย็นวางก้อนสติไว้ข้างบนเนยใสยใดไม่ปนกับข้าปลายาดจะเอาเนยใสยนั้นออกไว้ฉันเจ็ดวันก็ควรแม้สัตว์ตหาการลิกที่เหลือมีน้ำผึ้งและน้ำอ้อยที่เป็นแท่งเป็นต้นก็ในนี้แหลพวกทายกถวายบิณฑบาต ระดับด้วยกระวาลและลูกจันทร์เป็นต้นบ้างกระวานและลูกจันทรนลล์เป็นต้นนั้นพึงยกออกล้างไว้ฉันได้ตลอดชีวิตเลยเป็นยาวชิชวิตเป็นยาในขิงที่เขาใส่ในยาคูถวายเป็นต้นก็ดีในชะเอมที่เขาใส่แม้ในน้ํามันเป็นอาทิแล้วถวายเป็นต้นก็ดีมีในเหมือนกันแลสิ่งใดๆที่มีรสไม่เจือกันอย่างนี้พิสูจแม้จะรับประเคนสิ่งนั้นรวมกัน แล้วล้างหรือว่าตัดออกโดยทําให้สะอาดแล้วจึงฉันด้วยแต่มาสแห่งการของการเลือ้นั้นย่อมควรคือถ้าแยกออกได้ก็ดูว่ามีอายุกี่วันถ้าเป็นพวกน้ํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยก็เจ็วันถ้าเป็นพวกยาก็ตลอดชีวิตถ้ามีรถเจือกันแล้วคละกันแล้วย่อมไม่ควรถ้ามันปนกันก็มันแยกฉันไม่ได้ก็ต้องเหลือตามอายุที่สั้นที่สุด กถาวินิจัยเรื่องกาลิสในบาลีมุตตะวินยะวินิจัยสังหะจบแล้วก็คอยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาพระธรรมวินัยเพื่อเป็นอัจัยใส่มาผล น, นิพพานโดยทั่วกันสาธุสาธุสาธุ